الحمد لله رب العالمين ا ل ع م ل المتقين ا ل ع د و ا ن إلا الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين و ا ل ا خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ا ن تبعهم بحسن إلى الدين ثم أبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سب سين سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يمك أ س ت ا سن بن س م ا ش ي คนละเมืองรับอิสลามที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือกำลังเติบโตอยู่การร่างเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะต้องร่วมให้เสัตยาบันอันเป็นภาระหน้าที่ที่ผู้ศรัทธาจะต้องต้องตระหนักมากขึ้น นึ่งนนั้นนะันซึ่งเป็นภารกิจที่ิ่ใหญ่คือการต่อสู้ในอุ ต, อ ต, ตางลาเพื่อปกป้องศา ส, สนาอิสลามท่ามกัาการท้าทายต่อศัตรูที่มุ่งทำลายศาสนาวางแผนอุบายบิดเบือนคำสั่งสอนและทำร้ายผู้ที่กำลังทำหน้าที่เผยแพร่ หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าภารกิจนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้สังคมได้มีความสงบสุขเพราะตามใดศัตรูสามารถบันทอนกำลังใจบันทอนความรู้สึกในความปลอดภัยโดยเฉพาะในการที่จะเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อ ถ้าตรงนี้ไม่มีแล้วนี่นะชีวิตแทบไม่มีความหมายเลยลองลองคิดดูสิแค่คิดว่าจะรักพ่อแม่เงี้ยแล้วก็มีคนมาห้ามห้ามห้ามรักพ่อแม่นะแล้วถ้ามีใครแสดงออกเนี่ยจะถูกต่อต้านจะถูกสังหารอะไรประมาณนี้เราเราจะมีชีวิตยังไงมุสลิมค็ ขอประกาศว่าเขาเขาไม่เชื่อในในจวิตในความงมงายต่างๆที่ตอนนั้นเขาเชื่อกันอยู่ขอคแค่นี้เขาขอเชื่อว่มีพระเ จ, จ้าองค์เดียวว่าเขาขอปฏิบัติตามความเชื่อนี้อยู่ไม่ได้เลยนชีวิตจะมีความหมายอะไรล่ะอันนี้เหตุผลว่าอลาุลามะบางท่านเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องที่สําคัญที่สุด ในปัจจุบันนี้ยที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องอากดีดาแน่นอนในศาสนาเนี่เรื่องที่สําคัญที่สุดอักดีดาแต่สําคัญที่สุดในวิถีชีวิตของของมนุษย์เนี่ยเสรีภาพถ้าเราไม่มีเสรีภาพเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเชื่อตามอักดีดาที่เราเราต้องการเหมือนพี่น้องอุยกูรหรือคนจีนในในมณฑลอื่นๆด้วย ไม่สามารถประกอบศสนาจิตไม่สามารถแสดงออกนี้ล่าสุดเนี่ยแม้กระทั่งเาสาอาจารสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของมสัสยิดต่างๆที่เมืองจีนเนี่ยนี่กําลังมีแผนของรัฐบาลจะเปลี่ยนหมดเลยและรัฐบาลนี่จะออกตังสร้างใหม่ผู้นําจีนบอกว่าสถาปัตยกรรมมสัสยิดเนี่ยไม่มีความเป็นจีนนี่ จะสร้างศาสนสถานของตัวเองจะประกอบศาสนาขีดคือจะถือสิทธิอดของฉันนะ่ะปวดอวดข้างบนของใครก็ไม่รู้จะห้ามไม่ไ ม, ไม่ถือสิทธิอดนีคนไม่มีเสรีภาพไม่มีเสรีภาพเชคอรดอวีนะ่ี่จึบอกว่าเสรีภาพในตอนนี้นี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีเสรีภาพเราจะไม่สามารถยึดแนวคิได้ยึดมันในแนวคิด้ที่เราต้องการฉะนั้น มุสลิมต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพและนี่คือสิ่งที่สห บ, บัคเขาได้ทําเขาจิฮัดกันทำไมจิฮาดจะได้ปลดปล่อยสิ่งที่ล่ามโซ่ทั้งหลายนี่ที่กําลังบังคับให้คนไม่เชื่อตามที่เขาต้องการเอาวบบ่าไม่ได้ไม่ได้ไปจีฮัดจะได้บังคับให้คนเข้าอิสลามไม่ขณะนี้เขาเกลียดชังอิสลามขนาดไหนแต่ไม่สามารถเอาหลักทานสักตัวเดียวนะสักครั้งเดียวนะที่สห บ, บัคเขาจิฮาด จะได้ไปบังคับชาวเมืองทั้งหลายที่เขาพิชิตเมืองเขาเนี่ยให้มารับอิสลามเราพิชิดแล้วเนี่ยต้องรับอิสลามกันนะไม่รับอิสลามโดนสังหารไม่เคยไม่เคยมีปรากฏแต่คนเขา ม, มุ่งที่จะหาจับผิดอิสลามอยู่แล้ววะนะมีสักเหตุการณ์นึ่งดิไม่มีไม่สามารถพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้เพราะท่านอับีุลลาห์สฮะบานีคำหนึงแล้วอะ่ะชาวโลกในยุคนั้นแล้วก็เกือบทุกยุคอะนะก็จะ อยู่ภายใต้อันนัตผู้ปกครองส่วนมากในผู้ปกครองก็จะพยายามให้ประชาชนเนี่ยไม่ใช้สมองไม่มีหัวใจถ้าจะใช้สมองถ้าจะมีหัวใจนี่ก็ในสิ่งที่มันไม่ขัดกับผลประโยชน์ของตัวเองตรากฎหมาย ให้กัญชาเสรีตรเป็นกฎหมายเลยนะให้กัญชานี่กัญชาเป็นเสรีและตรากฎหมายให้เล่าให้สุรานี่เสรีแล้วก็ให้ชื่อเท่ๆสุราก้าวหน้าก้าวหน้าตรงไหนเคยก้าวหน้าที่ไหนอ่ะสุราไปดูที่ไหนเนี่ยมีสุรานี่แล้วก็บอกดิชี้หน่อยดิว่ามันก้าวหน้าตรงไหน แต่จะตรากฎหมายให้เราได้เชื่อตามนั้นใช่ไหมมันจะเสรีภาพเรื่องไหนแม้กระทั่งในเรื่องความเชื่อที่คนเขาไม่เห็นด้วยก็จะมีข้อบังคับและด้วยเหตุนี้นะครับอลัลลอฮฺสุลฮานาอวดาละจึงเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องสิทธิของตัวเองในการที่จะศรัทธาและปฏิบัติตามความศั ไม่ยาสบสี قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخصهم عنصركم عليهم ويشفي صدور قوم م ؤ م ن ي ن พวกเจ้าจงต่อสู้พวกเขาเถิดอัลลอฮ์จะได้ทรงลงโทษพวกเขาลงโทษพวกเขามิให้มีอานาจมิให้พวกเขาคือผู้บริสุทานมิให้มีอานาจในการกดขี่ คมเหงผู้คนให้เชื่อตามเขาให้ปฏิบัติตามเขาเพราะแค่นี้นี่ก็ถือว่าโทษมหันแล้วโทษมหันแล้วคนที่ครอบครองอํานาจเนี่ยคนที่นั่งบนเก้าอี้นะลองบอกเ้าดิคนที่นั่งเก้าอี้แล้วก็ใช้อํานาจแบบสนุกสนานะนะลองบอกเ้าดิเลือก ให้อยู่ในอำนาจต่อไปแต่บนเตียงนอนติดเตียงหรือสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่มีอำนาจคนที่เคยลิ้มความหวานของความหวานของเก้าอี้นะเข mm. าจะเรียกยังไง mm. เรีกอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าจะนอนติดเตียง นี่ดูพฤติการนี่แปดสิบเก้าสิบแล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนกันเลยเนี่ยขาวตาช้างเลยเนะี่ยติดแน่นเลยเนะี่ยขยาบแค่ไหนนี่ออกไปได้แล้วไม่เ้าไม่เอากันแล้วออกมายิ้มมันมันเป็นความหวานของอำนาจแค่ แค่เขาหมดอำนาจนี่ก็ถือว่าอาซาบใ น, นกันลงโทษนี่อัลลอฮฺไว้ยัอาซิบุมยัอาซิบุมอลลอฮฺวัยดิ้งอัลลอฮฺจะลงโทษเขาเนี่ยด้วยน้ำมือของพวกเจ้าที่พวกเจ้าจะไม่ให้เขามีอำนาจอีกแล้วไม่ให้เขาบังคับอีกแล้วใช้อำนาจห้ามคนไม่ละมาห้ามว่ากระเบียนคุรานห้ามมุสลิมไม่เผยความเปิดเผยความเชื่อของตัวเองเขาจะหมดอำนาจในเรื่องนี้แล้วแต่เมื่ออำนาจ ของผู้ศรัทธาเนี่ยจะมาจะมาคุ้มครองพิสิทธิ์ของผู้ศรัทธาในการเชื่อในการปฏิบัติตามความเชื่อแค่นี้เนี่ยเขาก็แย่แล้วเขาก็แย่แล้วจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นอำนาจของรัฐดูซีอเมริการู้สึกอับอายรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ฉิตไม่ฉิตตัวบุคคลที่เป็นผู้นำมามนระิกาประเทศทั้งประเทศรัฐบาลทั้งรัฐบาลเนี่ย รู้สึกอับอายขนาดไหนตอนถูกขับไล่จากกาบกานิสซัตไม่ได้เป็นเจ้าโลกแล้วไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้แล้วแค่นี้ก็ทรมานไหมทรมานสิเนีย่ยเราจะบอกว่าอยู่อัยที่บุญอมุลล่าด้วยน้ำมือของผู้ศรัทธาที่ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องอิสลามเนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองอัลลอ์อัลล์ลลจะไม่ให้ เขาได้มีอำนาจมุสลิม่าอย่าเปิดอย่าเปิดเสียงทีวีโดนไม่ต้องเปิดเสียงทีวีนะครับเราจะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ยับยังอำนาจของเขาที่เป็นอำนาจมีชอบชสส่ศานานี้ไม่ได้ขัดข้องเลยกับอำนาจอำนาจปกครองที่ให้ความเป็นธรรม น บ, บีชินชมุมอันอนาชาชนะีเป็นอำนาจอนาจกษัตริย์นะแต่เป็นอานาจของผู้ครองที่ยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแม้กระทั่งกับคนที่นับถือคนละศาสนากับตัวเองชินชมุมบอกซาบาให้เอเจน์ไปอยู่ภายใต้การดูแลของนาชาชีนี้บ่าอายุสัไม่มีใครจะถูกอธรรมภายใต้อานาจของเขา สิ่งที่จะได้มานี่ก็คือเอรลลาจะลงโทษพวกเขาด้วยน้ำมือของพวกเจ้าว่ายุซีหิมและจะได้ทรงยามพวกเขาเหยียดหยามพวกเขามให้เขารู้สึกในความอลังการความยิ่งใหญ่วแยันซุรกุมาลาอิมและจะได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ได้รับชัยชนะอลลาไลหิมเหนือพวกเขา ว่ ي ฉันมีสุดดูร์เขามีมูมินีและจะได้ทรงบำบัดหัวใจของกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้งหลายบำบัดบำบัดจากความเศร้าความเครียดความแค้นฉันลั่ س บ้านา و ะตะละอีกที่ในอายาหุหมะยาชาอัลล ي ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ เป็นผลของการลุกขึ้นต่อสู้ปกป้องศาสนาปกป้องสิทธิของผู้ศรัทธาในการเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นผลที่ได้มาอีกนะจะได้ทรงให้หมดไปซึ่งความกริ้ยโกรธความกลิ้วโกรธแห่งหัวใจกริว้วงนิตัดไปกันได้ทำไมอะ กริ Molly, ้วเนี่เป็นราชาทรัพย์กรูดก็พอและกริ้วกรูผมไม่รู้ทําไมเอ่อดารีเขาก็ได้ใช้กริ้วนะผมไม่ทราบวันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นกิจอาของมนุษย์ไม่ไม่ใช่ของพระเจ้าไงถ้าเป็นของอัลลอฮ์เนี่ก็เออกรูดกริ้วเนี่ยก็มีใช้อ่ะนะอัลลอฮ์ทรงโกรูดกริ้วทรงก็ไม่ต้องมีถ้ากริ้วเนี่ยก็ไม่ต้องทรงแล้วอ่ะกริ้วโกรูโกรูดกริ้วอัลลอฮ์นะก็ใช้ อัลลอฮ์ทรงสรงกริว้วอ่าัลลอฮ์จะให้หมดไปซึ่งความความกโกรธแห่งหัวใจผู้สถานี่โกรธเหรอโกรธสิโกรธทําไม อ, ะอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองถ้ามีคนเอาสิ่งที่เราครอบครองไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาไปเนี่ยเราจะไม่โกรธละ เรามีบ้านคนก็เอาบ้านไปโกรธไหมบ้านนะเรามีรถอยู่ดีเขาก็ขโมยรถโกรธไหมมีมือถือแล้วก็มีคนขโมยมือถือโกรธไหมของขุดโกรธโกรธ ด, ร ด, ร ด, ดิเราซักเสื้อผ้าแล้วก็แขว ม, มีคนอยู่นีก็ขโมยเสือ้อผ้าทุกคนอ้นี้โกรธไหมขุนโกรธมากเลย และคนยึดสิทธิเสรีภาพของเราในการที่จะเชื่อและปฏิบัติจะละหมาดไม่ละหมาดือสนุดไม่ได้ทำงานก่อนจะคู่มียับไม่ได้ต้องแต่งตัวโป๊ะโป๊ะโ <c oughs> กรธไหมจะไม่โกรธได้ไงจะไม่ให้โกรธได้ไง <c oughs> ไ ใ, ในชุมชน เขาไม่ยอมที่จะไม่ยอมที่จะให้มีสิ่งอบายมุกสิ่งเสียบติดใครจะดองเหล้าใครจะปลูกกัญชาใครจะขายกระท่อมห้ามเขาไม่ได้นะห้ามเขาเนี่ยเราว่าผิดกฎหมายเราว่าผิดกฎหมายเราว่าติดคุกคนปลูกกัญชาทั้งทีนะ เลมาเมืมม่อสิบคุยไอ้บ้านเยฮ้ยปลุกไม่ได้นะนั่นนะ่ะติดคุกสิทธิสิทธิในการที่จะปฏิบัติตามความเชื่อเนี่ยในในชุมชนของเราเราต้องการปกป้องเยาวชนของเราปกป้องครอบครัวของเรานี่ไม่ยุ่งกับสิ่งอบายมุกทั้งหลายอยู่กันดีๆอยู่อยู่กันความช่วยเอ ท, ทั้งหมดเนี่ยแต่มีคนจากข้างนอกอ่ะของนอกเนี่ยมามาซื้อบ้านมาเช่าบ้าน แล้วก็ดองเล่าบุกกรญชาแล้วก็มาขายหน้าบ้านเขาเราเฮยทำอย่างนี้ในชุมชนนี่เขาไม่ได้เฮ้ยมมนะห้ามผมไม่ได้นะห้ามผมไม่ได้นี้นี่เขาปลดล็อกหมดแล้วนะกฎหมายปลดล็อกเราจะล็อกเราจะมีสิทธิ์ล็อกไหมเขาพูดอย่างนี้กฎหมายปลดล็อกแล้วปลดล็อกปลดล็อกกัะชาปลดล็อกก็ท่อม มาปลดล็อกแล้วแล้วเราจะไปล็อกไหมที่เราจะพูดบ้างอ่ะก็อลอนล็อกไวแล้วเราจะปลดล็อกได้ไงอ่ะพูดอย่างนี้บ้างอ่ะพูดอย่างนเอาคนแล้วแต่นี่คนแล้วแต่เตะบังคับคนอื่นสิใครจะเชื่อได้ยังไงก็จะใครจะล็อกอะไรก็ลอก็อกเตะบังคับคนอื่นคนต้องล็อกตรง ความเชื่อของมุสลิมไม่ใช่เรื่องประลาดเนี่ยเรื่องสิ่งกับใบมุกไม่ใช่เรื่องประลาดนั่นก็ศาสนาทุกศาสนานี้ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งกับยหมุกเหล้านี่มีศาสนาที่ไหนนะบอกว่าส่งเสริมแต่เล่านี่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องส่งเสริมให้ดื่มเหล้ามีศาสนาที่ไหนเล่าบอกว่าสิ่งอับไอสิ่งเสพติดนี่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีไม่มีทุกศาสนานี่ก็ต่อต้าน สี่ผู้สตาเนี่ยก็ต้องโกรธถ้าหลักความเชื่อหลัปกปฏิบัติที่ตัวเองเชื่อและปฏิบัติเนี่ยถูกข้ามกีดกั้นต้องโกรธแต่ถ้าลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองอะนะเนี่ยเราจะทับำ บ, บัดหัวใจของเราเนี่ยให้หมดไปซึ่งความโกรธอุลมามะบางศาสาบ้าอุลามายุคซาลาบนี่บางท่านยุคตะบัอตนบอกว่า ความโกรธตรงนี้หมายรวมว่าเผ่าคุซาเผ่าคุซาที่ฝักไฝ่ท่านนบีตอนที่ข้าศสมุทรอาหรับนี่แบ่งกันเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งไปกับกุรชและขั้วหนึ่งไปกับนบีขั้วที่ไปกุกรชเนี่ยเป็นพวกที่แม่ อ, อิสลามทั้งนั้นพวกที่ไปเลือกขั้วของนบีนะมีทั้งมุสลิมแล้วก็มีที่มาจากมุสลิ ม, มหนึ่งในนั้นนะที่มาจากมุสลิ ม, ม ค, คือคูซาเรื่อก มูฮัมหมัดนี่ยุติธรรมมากกว่าคุเรชแต่เพราะกลัว่าขั้วของกุเรชเนี่ยบิดผิวสัญญาสันธิภาพแล้วก็ไปบุกรุกคุซาไปฆ่าคนซึ่งคุซาเนี่ยโดยรวมส่วนมากนเผ่าเผ่าคุซาเนี่ยส่วนมากในไม่มีมุสลิมแต่มีมุสลิมบ้างมีมุสลิมบ้างยตอนเข้าไปบุกเนี่ยเขาตะกนอาระเบียอยู่กันยิงเง ขาดสบายนกอนเอาพระน้อยแพะมันน้อยไปแล้วเอาไปป้นแพะฟูแพะของอีกอ ก, กลุ่มนี่เอาอูดฉันไม่มีอูดแล้วนะ่ะไปป้นกลุ่มนุ่นนี่เขาอยู่กันอย่างงี้อยู่กันแบบเทือนเถือ น, อนไปป้นไปฆ่าคูซาเขาก็เรีบไปไปร้องเรียนท่านนบีการที่เขาบุกรุกคูซาแล้วไปป้นเนี่ยถึงขนาดที่ไปฆ่าแล้วก็บังเอิญ น, น่ะน่ะ ส่วนนี่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นมุสลิมและถูกฆ่าตอนที่เขากำลังรุกร้วกำลังสุญุดกัตตะลูนารุกะอันวะสุดเจตคนที่ไปร้องเรียนไปเรยไปรายงานท่านนายบิวบก็ช่วยด้วยเขาเข้ามาฆ่าเรานี่รวมถึงมุสลิมที่อยู่กับเราด้วยนะถูกฆ่าขณะรุกร้วขณะสุญุดขุราเก็แค้นีแค้นมากอยู่ดีๆนก็มามามาบุกมาปุน ม า, มาฆ่าชีวิตเขาง่ายๆแบบเนี้ยแค้นดิอัลลอฮฺก็เลยส่งส่งเสริมให้ผู้สตาเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและจะทําให้คนที่มีความแค้นอย่างคูซ่าเนี่ยเขาจะได้หมดซึ่งความความแค้นความโกรธความแค้นความโกรธนี่ไม่ผิดนะถ้ามันมีเหตุผลถ้ามันมีเหตุผลและจะให้ เหตุที่ทำที่ทให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยแค้นแต่ปรากฏว่าไม่แค้นเลยนะอันนั้นคนนั้นผิดปกติหรืออาจจะขาดสติมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดอะไรที่ไม่ตรงกับอารมณ์อยู่ทังแค้นต้องแค้นนะหลักคำสั่งสอนของศาสนานี่จะบอกว่าให้เราได้คุมคุมความโกรธความแค้นแต่จะให้มนุษย์เนี่ยไม่มีความแค้นเลย คนเข้ามาข่าพ่อแม่อืมเชิเชิญเชเชิญคนเข้ามาข่มขืนภรรยายินดียินดีอันนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วไม่ไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วความแค้นมันต้องมีไงเข้าเข้ามามีมีที่ไหนล่ะนะแม้กระทั่ง มัสยิดที่มสัสยิดเนี่ยเราก็สอนสอนให้อดทนใช่ไหมสอนให้อดทนให้สุขขุมถ้ามีเขาใครเข้ามาเข้ามาเข้ามา ข, ามาขโมยตู้บริจาคคนที่จะโวยวายคนแรกนี่อิห ม, มั่นใช่ไหมเขาก็อ๋อเป็นเรื่องปกติ ท, ที่ที่วัดใช่ไหมสอนให้ขันติให้ให้ธรรมะธรรมโสนิพพานไอ้คนที่เข้ามาป้นตู้บริจาคป้น ก็จะรู้แบนี mind, ้อแค่เจ well ็บด really ิเจ็บชครับเป็นเรื่องปกติความแค้นนี่เป็นเรื่องปกติผมนับว่าศาสนาส่งเสริมไม่แค้นนะไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมไม่แค้นนะแต่อะไรที่มันเกิดโดยเหตุผลดังธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่ผิดมันไม่ผิดหลักการศาสนาการที่มีความโกรธนะไม่ผิดนะแต่ถ้าความโกรธนี่ทำให้เราได้กระทําอะไรที่มันผิด เฮ้โถอนั่งมอเตอร์ไซค์กันสวนกันมองเงี้ยแค่ทำสถาบันต่างๆนี้มองอย่างเงี้ยนี่ก็บีรอ้องเลยนะบาปใหญ่เลยนะมองอย่างเงี้ยเป็นบาปใหญ่เลยนะเกียร์มัดเกิดขึ้นเลยแค่มองอย่างเงี้ยก็โคตแครแต่ถ้ามันมากกว่านี้เนะนี่ยแค่นเอาชัก ไม่โตสับคอเลยอันนี้แค้นอันนี้อันนี้บาปผิดแล้วมันเป็นความรู้สึกแค่เป็นความรู้สึกแค้นเกิดเขาเขาเมองดูถักเงี้ยแค่ยังไม่ยังไม่บาปยังไม่เกิดอะไรที่มันบาปแต่ที่มันอันตรายนี่ถ้าเราไม่ควบคุมความแค้นนี่นะความแค้นความกรดความไม่สบายใจนี่มันจะเติบโตและจะบังคับให้เราได้ทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสม คนเข้าบ้านมองเข้าบ้านไปป้นน่ะนะสมมุตินะเอาขโมยหม้อหนึ่งเราชักปืนฆ่ามันเลยพอหม้อหม้อใบหนึ่งขโมยหม้อหม้อของมาเนี่ยโหแคน์กรูดแต่ไม่ถึงขนาดที่ให้ความกรูดเนี่ยทําให้เราละเมิดมึนเกินน่ะมันเกินน่ะแต่อะไรที่มัน มันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลนะนะนะมคนมาด่าพ่อแม่เราโกรธไหมโกรธสิคนมาดา่านบีเราโ ก, กาานะรธดหมโกรธสินั้นคนที่เรียกร้องให้เราไม่มีความโกรธทั้งนั้นที่มีเหตุผลคนเหล่านั้นนะ่ะนึงไม่มีความรู้เรื่องศาสนาหรือเป็นคนไม่ปกติอนะนะบีถูกลบลูอดทน มันมั น, ม, นมันผิดวิสัยโอท่านท่านท่านอบีถูกลบลุ่อดทนแถ้ามีใครดา่ดาด่าด่าพ่อด่าแม่คุณนะ่ะเฮ้ยผมไม่ยอมอ น, นี่มันผิดวิสัยเป็นไ ป, น, ป น, นะอย่าว่าด่าพ่อแม่ด่าองค์กรของตัวเองนะโอ้โหนี่ออกมาไลฟ์เป็นเป็นวันเป็นคืนเลยนะออกมาโอ้โหนี่ประกาศสงครามกันแค่ไปแตะอาจารย์หนุนเขาเนี่ยเนี้ยแตะครูบาอาจารย์หนุนเขานี่นะเป็นเรื่องนะ ว่าด้แนบีอทุอทธรอทุทธอุทธมันบีรวิสยายิงะทั้งนี้ความความโกรธที่อยู่ในหัวใจเนี่ยศา ส, สนาก็เรียกร้องส่งเสริมให้เราได้ควบคมุมเพราะส่วนมาก ความโกรธส่วนมากความโกรธมันเกิดจากอารมณ์ร้อนอันเป็นผาหนะที่เชตรชอบขี่มันความโกรธความโมโหนี่เนี่ยผาหนะของเชตรเชตรจะมาขี่เราได้ไม่ได้นอกจากว่าถ้ามีความความแค้นความโกรธความโมโหเรื่มมาเชตรนั้นก็จะมาขี่คอล่ะ ท่านซาวะที่ถามท่านนาบีเอาสินีได้โปรดสั่งเสียฉันหน่อยในอยู่ว่าราต้องดบอย่าโมโหพยายามควบคุมถามอีกทีนึงสั่งเสียฉันด้วยในอยู่ว่าราต้องดบครั้งที่สองโอ้นบีสั่งฉันด้วยครั้งที่สามแล้วต้องดบแสดงว่าความกโกรธความโมโหความแค่เนี่ย มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราควบคุมควบคุมอารมณ์ของเราค่อนข้างยากก็ต้องควบคุมเราเราจะระ ง, งับความรู้สึกเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงนี่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องมันเป็นสัญชาตญาณรูปปกติความเศร้า ความความโมโหวความดีใจเอเี่เราจะประงับอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนคนคนเวลาเขาได้ยินมุกเนีเดีวเขาเห็นอะไรที่มันตลกขำๆเนี่ยเขาก็หัวเราะคือจะระงับไม่หัวเราะเลยอะนะมันมันผิดปกติตัวท่านนาบีเองเห็นอะไรที่ซาบะทำแล้วก็มันตลกเน้นนบีก็หัวเราะ ศา ส, สนาไม่ได้บอกโอ้ยระงับเลยไม่ได้ห้ามเคาะพเลยนี่ไม่มีไม่มีเรื่องหรืออะไรที่ทำไม่โมโหแ ล, ล้วก็ไม่โมโหเลยไม่เป็นไปไม่ได้แต่ความโมโหเนี่ยมันมีหลายอาการที่จะบ่งบอกความโมหคนโมโหนี่คนโมหนโมหนี่สาษาไทยอะไรโมโหนี่คนนี้เดือด เคยเห็นเคยเห็นหม้อตอนเดือดไหมหม้อนี่ตอนเดือดถ้าฝานี่มันไม่สนิทฝามันไม่สนิทพอมันเดือดอะไรจะขึ้นถ้าหม้อนี่ถูกออกแบบให้ฝานี่มันปิดสนิทเขาเรียกหม้ออะไรอะอัดความดันนะอะสนิทไหม แล้วก็จะให้มีมีมีรูที่มีมีลมออกบ้างใช่ไหมแต่ทั้งหมอ้อทั้งทั้งฝานี่แ น, น่นไหมเน่นเลยนะอะวรก็มีใช่ไหมมีทีม่มนุษย์อย่างงี้เลยมนุษย์อย่างงี้เล ย, ย, เ, ลยเวลาโมโหนี่คือเดือดมันก็เหมือนกันเลยเดือดเดือด น, นี่มันก็โมโหเหมือนกัน แต่บางทีเนี่ยคนรอบๆเราเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าเราโมโหเพราะเดือดนี่มันอยู่ข้างในเราก็เก็บไว้เก็บไว้คนที่เดือดข้างในแล้วก็ไม่แสดงออกเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขามีความขันติภาษาอับบาเขาเรียกอัลฮิลคนนี่มีชื่อเสียงในเรื่องความขันตินี่อัลอาลัยฟิบนะไกส์เบลซัพฮาบะฮ์มุกันนบิซัลลอฮ์อัลเลาะห์เลือ นั่งอยู่หน้าบ้านนั่งแบบฮับว่านเนี่ยฮับว่านี่ก็คือเอาสารลบันนี่มาผกมาผูกมาผูกหัวเขาแล้วก็นั่งนั่งเอานั่งแบบชิวๆ ช, ช, ช่วงตอนเย็นนะนะหน้าบ้านแดดมันไม่ร้อนแล้วก็นั่งหน้าบ้านชิวๆอายุร้อยกว่าปีแล้วก็มีหลานเขาคนหนึ่งลากหลานคนหนึ่งลากลูกชายของอามิมะคสเนี่ยลูกชายเขาเนี่ย ถูกฆ่าลากมาให้พ่อนี่ลูกชายตัวเองเนี่ยถูกฆ่าและคนที่ฆ่านี่คือคนนุ่นคนที่รายงานบอกว่าฟ า, าัลลฮบตะที่ที่นั่งนั่ ง, น, งนั่งเอาสารบันนี่มามามามัดนี่นะยังไม่ยังไม่แกะผ้าสารบันนี่ยังยังนั่งนั่งเหมือนเดิมนี่นะบอกว่าให้อภัยเข้าไป แล้วก็เอาเงินชดค่าลูกฉันเนี่ยไปให้แม่เขาเขาจะได้ไม่เสียใจและจบจบไปเขาบอกว่าเป็นคนที่ใครลูกถูกฆ่าในใครจะไม่ใครจะไม่โกรธแต่เด็ขาก็เ ข, เขมีเฮิมเฮิมว่าความขันติสามารถระงับระงับอารมณ์ระงับความโมโหของเขาได้ยิ่งเร็วยิ่งมีความขันติ ความขันตินี่คือสุดยอดของความอดทนเราจะมีความอดทนอดทนอดทนถ้าความอดทนนี่มันใหญ่โตมโหลาลนนะ่ะนั่นนะ่ะความขันติคือนิ่งจะนิ่งแต่บางทีเนี่ยเราอดทนแต่ช่วงแรกนี่หลุดหลุดหลุดม oh. อ้ยโอเค ช่วงแรกแต่คนที่สามารถควบตั้งแต่แรกเลยนะระ ง, งับตั้งแต่แรกเลยนี่นั่นแหละคือความสามารถอุปนิสูงที่ท่านนาบีบอกท่านนาบีขึ้นเห็นผู้หญิงร้องไห้บนกูโบนนบีก็ไปปลอบใจเขาโอ้ไม่ต้องมายุ่งกับฉนฉันฉันแย่แล้วลูกฉันต า, ายแล้วนายแกไม่ดูไม่รู้อ่ คนนี้มาบอกใจนี่คือท่านนบีเนซาฮาบะก็ไปเตือนเขาวารู้เปล่านี่ใครนี่นบีมุฮัมมัดเเลยวิ่งไปหานบีไปขอมาไปขอมาับนบีนบีก็บอกว่าอินนมัสซับรุินตะซดมะติลอูแลท้จริงความอดทนความอดทนที่หนักแน่นนะนะช่วงช็อกตอนช็อกช่วงแรกตอนตอนตอนประสบกับมุซีบะประสบกับโบทุส สัม์สัม์เนี่จะแปลชอ็อกเง้ยแา่เราส่วนมากนสมบติดอดทนเนี่ยอ f t คือชอ็อกไปก่อนโอยวายต่อว่าด่าทอจนสนสเละเลยคือเล็บไปหมดแล้วอ่ะเาด่าจนตนเล็บไปแล้วระบายหมดแล้วไงพอระบายเสร็จแล้วเนี่ยันีเงอเหมือนเหมือนหม้อที่มันเดือดเนี่ยพอเอาฝาออก อะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็สงบนิ่งทุกอย่างมันก็นิ่งนิ่งแล้วพอ n แล้วนะอัลฮัมดุลิลลา์ที่อัลลอ์ให้ฉันอดทนทุกอย่างต้องไหนอ่ะครับท่านที่ท่านอดทนท่านระบายออกไปหมดแล้วมิจูอินนามะซบรูอินดาสดมะติลูล่อูล่ช่วงแรกของช็อเนี่ยเนี่ยต้องสวัสดตอนนั้นน่ะและนี่คือการฝึกฝนของพวกเราที่ต้องพยายามพยายามวิธีที่ดีที่สุด ดีที่สุดในการฝึกฝนในการฝึกฝนอดทนมีความขันติต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้พยายามช่วงเวลาว่างๆ่ะนะให้พยายามจินตนาการทุกเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่มันเคือว่ามันเกิดขึ้นกับเราคนนู้นจะตายคนนู้นจะเจงคนนู้นจะยังงุนคนนู้นพยายามจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำยังไง บางทีเราเห็นคนหนึ่งลูกเขาเสียชีวิตโอ้โหเขาก็ร้องไห้แล้วทาไมทาไมขนาดนั้นทาไมต้องแบบว่า ต, ต้องขาดสติขนาดนั้นเ ร, เรายังไม่เคยเรามีลูกลูกไม่เคยตายเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้พยายามจินตนาการเราเห็นคนมือถือเขาหายเระเหมือนคนบ้าไปเลยนะ มือถือหายไหนบ้าทำยังไงไอ้ทีันจำขนาดนั้นมันขาดสิกแก่มือถืออา้าวเราไม่เคยไม่เค ย, ม, เคยมือถือไม่เคยหายไงเดีย๋ยวว่าหายเนี่แค่แค่ลืมไปที่ไหนเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่หายเราแค่ลืมมันเราก็หุดหงิดแล้วใช่ไหมลองจินตนาการดิอาัามีหายมือถือหายไปเลยไลยก์ก็หายเฟซก็าหา ย, าหายอาแอป บ, บัญชีก็อุ้ยหายหมดวุ่นวายไหม แต่ก่อนน้องก่อนที่จะมีมือถือนี่ไม่มไีไอ้ความกังวลนี่ไม่มีอ่ไม่มีมือถึอองอ่ะจะไม่กังวลอ่ะแต่แต่ก่อนกระเป๋าตังมีบัตรประชาชนมีเอทอ็มอันนนอนะาจจะหายนะโอ้ยนั่นนะเครียดเลยรู้พวกคุณทันกระเป๋าทรงนั้นอนะ่ะน่าจะทันนะแล้วน่ะบัตรประชาชนอนะ่ะยิ่งยิ่งคนแบบว่าคลาสสิกหน่อยอนะ่ะโรแมนติกหน่อยเนี่ยในกระเป๋าตังนี่ก็มีรูปที่รักของเขามีรูปคนอู้หายหมดนี่ ไม่เสียใจเราบัตรใบเหายรูปป๊้อยู่รูปปัานรูปไมะอยู่นั่นน่ะเออเดี๋ยวนี้<ม>เดี๋ยวนี้รูปมันอยู่ในมือถือหมดเครียดไม่เครียดอลองจินลองดิจินแตนาการอย่างเงี้ยพอมันเกิดขึ้นจริงอ่ะนะรับรองเลยว่าอาการของเราเนี่ยอาจจะมีบ้างนะแต่มันจะไม่รุนแรงเพราะเราเคยเคยผ่านจำลองมาแล้ว อนนี้เหตุผลว่าทําไมตึกใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีฝึกซ้อมเหตุอะไรในไฟไหมทําไมอเขาบอกว่าสันติ์ดีเนี่ยส่วนมากเนี่ยการที่มีความเสียหายใหญ่หลวงนี่เนื่องจากว่าคนอยู่ในาคาเนี่ยไม่เคยผ่านประสบการณ์นี่นตื่นตระหนกไงทาอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่ถู ก, กเนี่ยป๊บช็อกไยช็อก แต่ถ้าฝึกอ้าไฟไหมถึงแม้ว่าไฟไม่ดิไม่ดิไหมแต่แค่แค่จำลองไฟไหมทั้ทงนี้ตรงนี้อ้าเครื่องดับเพลิงอยู่ตรงนี้อะไรต้องทำอย่างนี้ต้องน่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะ น, น่ะอย่างนี้เป็นต้นบุตรศรีบ้บาที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละก็เป็นแบบนี้ แต่มันก็ไม่ไดีการันตีว่าความรู้สึกต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นช่วงบททดสอบนี่มันจะไม่มีเลยนะเป็นเป็นไปได้แล้วเราสูวเราจินตนาการวาคุณพ่อ ค, คุณแม่เสียชีวิตแต่เออไม่ได้เสียชีวิตนะแต่เราจินตนาการว่าเสียชีวิตเราจะรู้สึกยังไงเราจะทํายังไงเราจะได้เอพอจําลองสถานการณ์เราจะได้ไม่ขาดสติแต่พอเขาเสียชีวิตจริงๆนะนะมันมันก็อดไม่ได้ถึงความเสียใจมันก็ต้องเกิดขึ้นน่นแหะแต่มันจะเกิดขึ้น แบบมีสติแบบมีสติและด้วยเหตุนี้นะครับมี h a d ส s บทเด้นนง ท, ที่ท่านนาบีสุตลต่านลอัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนท่านหญิงอให้ควบคุมความโกรธ h อดี s นี้เร่งว่ามันห a d i s ด้ยิบแต่ดูอาดี่ท่านนาบีสอนเนี่ยขอใช้ได้เพราะเป็นดูอาทั่วไป وحديثني بنذكر دو إمام ابن عساكر يغلبني ا بقول من حديث ضعيفنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت تاني عشان إذا غضبت تان تن... مهو ت ن ك ر و د أخذ ب ا ن ف ه ا ت ا ل نبي ت ج ب ج م و تجتجمو وقال لقلاه هيثم يا عويشة عويشاني بنت لين شيء ث ا ่ ي ع ่ ا อ ا ئ ش النبي พันธีนี่กระไรกายา عائش พันธีกระไรกายา عويشة عويشاني عائشة ตัวน่อยประมาณยา عويشة คุลิเธอนี่จับมืจับจมูกนกจงกล่าวเถิด Allahumma رabb النبي محمد صلى الله عليه وسلم و ا ن ر ب ه في بان แห่ง نبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنبي ل يبرود ให้อ بروت كبشندوي وأذهب غيضة قلبي لا يبرود ให้ความโกรธความโมโหแห่งหัวใจของฉันเนี่ยได้หมดสิ้นไปอนดิบหมดหมดให้พ้นไป ไห้ดนความโกรธความโมโหกัลบีความโกรธที่อยู่ในหัวใจว่าจิรนีมินมุดิลลาติลฟิตันและได้โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยจากบททดสอบที่ทําให้หลงผิดมุดิลลาที่ทําให้หลงผิดฟิตันในบททดสอบขอฉันพ้นรับความคุ้มครองให้พ้นจากบททดสอบที่ทําให้หลงผิด ความโกรธความโมโหในบางทีเนี่ยหมดเลยนะกี่มากนา้อยเยาวชนที่หมดอนาคตเพราะความโกรธชั่ววูบมันย่มสถาบันของเรายังกับของเบ้งในี่ไปยึดแผ่นดินของเขาอะแล้วก็จะยกทัพไปคืนศักดิ์ศรีเนี่ยมันย่มสถาบัน อะไรชักดาบชักปืนแล้วก็ไปไปฟันคนนูฟันคนนี้หมดอนาคตเลยหมดอนาคตเลยติดกุ๊บหา้าปีสิบปีหมดอนาคตอายุสิบหกสิบเจ็ดแลนะออกมานี่ครับจะเรียนยังไงจะทํางานที่ไหนจะอะไรเพราะอะไรชั่ววูบพุ่ยิ้มสถามันไอะไรมระมาณ มันเป็นบททดสอบที่ทำให้เราเนี่ยหลงไม่หมดเลยหลงคือไม่รู้เส้นทางพฤติการที่เหมาะสมสำหรับสำหรับเหตุการณ์และอะไรและอะไรที่ทำให้เราสามารถควบคุมคุ้มครองตัวเองพ้นจากบททดสอบที่มันทำให้หลงเนี่ยอะไรขึ้มาวิทยาปัญญาขึ้นมความรู้ และมารยาทความรู um ah ้และมารยาทนี่คือข้อสรุปของฮิกมาเนี่ความรู้และมารยาทมลาน a n a abul hassan al nadwi มีความเห็นว่าฮิกมาเนี่ในคุรานและหะดิษนี่สอนมากนี่คือมารยาทนั้นคนที่มีมารยาทจะมีฮิกมามีวิทยาบัณย์คนที่มีมารยาทคนที่มีมารยาทนีจะไม่พลาดคนที่มีมารยาทน่นจะไม่พลาด เอมารยาทอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีความรู้ด้วยมีความรู้และมารยาทมีความรู้และมารยาทนั่นแหละคนคนจะทุกคนเราจะมี ح ك م ة a l l a บอกในอักุรอานว่าเมื่ยุติ الحكمة فقد أُوتي خيرا كثيرة ผู้ใดที่ได้รับ حكمة เนี่ยได้รับความดีมหาศาล Allah ซึ่นชมท่านนบีดาว ل وديناه الحكمة وفصل ا ل خ ط ا ว่าตีน่าหุ้ลพิคเมต์ว่าฟัซล์ขีตอบแล้วเราได้ประทานให้พิกมาคแก่นบดุลูดว่าฟัซล์ขีตอปและความเฉียบแหลมความคมชัดในการตัดสินคือพูดอะไรอะนะเป็นอันว่าทุกคนนยอมรับอจบหมันเลยฟัซ ล, ลข์ขีตอปเขาก็เถียงกันโน้นนั้นหาข้าอยุติไม่ได้พอเดอูดพูดนี่นะทุกคนเออ ย, ยอมรับเลยใช่เลยนี่ใช่เลย ขออนุสิงด mm. ีอัลลไห้ดวท่านนบีวขอ a อาตีน hm ิลฮิกมา وفصل เป็น دعاء ที่ผมขอเพราะวาอ่านเรื in, it, ่องของท่านนบีขอตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นน่ะ a ล l a m m a อาตีนีิลฮิกมตา وفصل ا ل خ ขอให้ทานได้มีิกมตา و ف ฟ ل الخطاب แล้วก็ความความชัดคมในการตัดสิน Allah ให้ท่นนบีดาวดแต่ไม่ได้หมายรูมว่าดาวดนี่ก็จะเฉียบแหลมในทุกกรณีบางกรณีเนี่ยลูกชายท่านนบีดาวดสุลมานี่ปรากฏว่าเฉียบแหลมกว่าเหตุการณ์ต้องพิพากษาท่านนบีดาวดพิพากษาอย่างนึงท่านนบีสุลมานพิพากษาอย่างอัน Allah s u b h a n a h ว wa t a a ได้ให้น้าหนักเขาบอกว่า ความจริงแล้วท่านท่านจะความจริงแล้วสุเลมานเนี่ยได้รับความรู้ตรงนี้มากกว่าฝ่ ฟ, าฟาฮ้ฮมนะฮะสุเลมานสุเลมานเนี่ยได้รู้เรื่องนี้มากกว่าแสดงว่าแสดงว่าเรื่องฮักมาเนี่ยหนึ่องอัลลอฮ์เราขอแต่อัลลอฮ์จะให้คนนี้มากกว่าคนนี้ในนี้แหละจริงแล้วบางคนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เห็นบ่อย ความรู้ก่อนแล้วเรียนเรียนเมืองนอกเมืองนาเมืองสวนเรียนหมดเลยนะเป็นตำแหน่งของตำแหน่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอิห ม, ม่ามเป็นกรรมการนู้นแต่ที่สุดตัวสิโมัสิดเนี่ยเข้าท่ามากกว่าเข้าท่ามากกว่าอันก็นจริง จริงสิับทเดเห็นอิหมัมมสัสซิดมีความรู้มีความรู้รแต่พอเข้ามาสัสซิดนี่ไม่เห็นอิหมัมแต่เห็นตอเซียอแบบนี้เนี่ยผมว่าตอเซียนี่เข้าท่ามากกว่าอิห ม, มัมทั้งอิหมัมนี่ก็มีความรู้เรียนเมืองนอกเมืองนะพูดภาษาอ р ับก็บเป็นคล่องอ่นคัมภีรอ่านก็คล่องแต่ตอเซียนี่เข้าท่ามากกว่าเข้าท่าใช่ไหัลลอฮ์ให้ อมายความรู้คนนี้เนี่ยไม่บันดาลใจให้เขาได้ทำหน้าที่มามามาเป็นอิมามไม่บันดาลใจให้ให้เขาได้สำนึกในบทบาทของเขาที่ต้องทำกับสังคมทีเราเห็นผู้นำสังคมคนคนดังคนคนมีชื่อเสียงเราควรตวคนกวาดถนนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเห็นไมงุหวาย เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งทีเป็นเป็นคนที่เรียนเรียนฝึกซ้อมมาอย่างดีแต่ปรากฏว่าเสียบยาอาการหลอนนะแต่นี่ทําหน้าที่เป็นเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจกว้างขวางนะทางรัฐนี่เขามอบให้มีปืนมีมีอาวุธมีอะไรปรากฏว่าทรยศหน้าที่ตรงนี้ เสบียหลอนเกิดโรคจิตไปฆ่าชาว บ, บ้านเขาคนที่กว่าถ น, นนนี่นะเราไม่ได้ถูกนะแต่คนในสังคมในส่วนมากก็จะมองว่าเป็นอาชีพที่ตกต่ำไงแต่ว่ากคนด้วยคนที่มีอาชีพที่สังคมมองว่าตกต่านะดีกว่าคนพวกนี้ดีกว่าคนพวกนี้นักการเมืองบางคนที่ทรยศทรยศชาติขายชาติขายบ้านเมือง บางทีคนที่ไม่มีไม่มีทรัพย์สินไม่มีอำนาจอะไรมากบางทีเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเขาให้มาเราจะให้แล้วแต่ล l l a h จะให้นี่แสดงว่าฮห้มาเนี่ย a ล l a h سبحانه จะแต่ a l l a จะไม่ให้โดยไม่มีเหตุผล Allah บอกว่า الذين تدعوا ะ ا د ه م هدا คนที่คนที่ได้รับทางน่ะหมย่ยถึงเมื่อคนที่ ตอบรับทางนําที่ Allah ให้มาน่ยนะแท้แต ah ่ฮุ um, ้ม Allah จะเพิ่มภูนีใดให้เขาแสดงว่าเราเนี่ยฝึกฝนมรารยาทที่ดี Allah ก็จะเพิ่มภูนีอีกมาให้เราแต่ถ้าเราเนี่ไม่เอาเรียนรู้มรารยาทศึกษามรารยาทไม่เอาแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้อัลลอฮ์ให้อ่ะคนเขาไม่เอาอ่ะแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มภูนได้งไงเรียนรู้่ะ ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะรู้เราเราจะให้ความรู้เพิ่มภูมความรู้ได้ไงเราเราต้องเราต้องใฝ่หาเราต้องขยันต้องดิ้นรนเราเราได้เห็นว่าเราดิ้นรนมากกว่าคนอื่นเราก็จะเพิ่มภูนให้ความรู้เพิ่มภูนมากกว่าคนอื่นต้องต้องเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันในการในการที่จะมีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องศาสนา ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยศา ส, สนาถูกเหยียดหยามสิทธิของเรานี่ถูกโขมแขงแล้วเราไม่ทําอะไรเลยแล้วเราขอตัวอัลลอฮ์ช่วยเราด้วยช่วยช่วยหนึ่งวันไม่ได้ทำอะไรเลยศา ส, สนานี่ไม่ใือหมายถึงว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของศาสนานี่แล้วก็เราไม่ต้องทําอะไรเลยต้องทําต้องทําอะไรบ้างนะและ้วตัวอลลอฮ์จะช่วยแต่เราไม่ทําอะไรเลย อ๋ประชาชาอิสลามส่วนมากท่าทีของเขาในการปกป้องศาสนาแทบไม่มีนะก็ยิ่งตกต่ำยิ่งตกต่ำยิ่งตกต่ำแต่ถ้ามีหละไม่ยอมมาเดินร น, นต่อสูล้ล่ะเขาเราต้องให้ดูใ อ, อัฟก า, านิสถาน20ปีเขาไม่ยอมชาวับนี่เขาไม่ยอมอเมริกายกทับมาทั้งทั้งประเทศเนะี่ย ทุ่มงบประมาณเป็นล้านล้านดอลลาร์เป็นล้านล้านเลยไม่ใช่ล้านสองล้านนะเป็นล้านล้านนะไอ้นล้านล้านดอลลาร์ค่าบิลลาดิลแล้วเนี่ามุลลาอุมารีค่าแล้วก็ขาดสังหารคนอับกานแล้วก็ทหารตอริบันสังหารไปแล้วเนี่ยเกือบสามแสนคนแต่เขาไม่ยอมกระสุดท้ายยังไง สุดท้ายนี่อัลช่วยอลลอช่วยช่วยด้วยอะไรโดยที่ตอริมันเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เก่งกาจอะไรนักหนานะแต่เราช่วยสถานการณ์ทั้งหลายนี่นะอัลลอฮ์เถอะอเมริกานี่ไม่ไหวแล้วอ ย, อยู่อับอยู่อกานเี่ไม่ไหวแล้วต้องออกพอออกแล้วนะฝึกไว้แล้วนี่ทหารเนี่ยแสนสามแสนคนตอริบันนี่มันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ประกาศว่าเมืองนี้ฉันจะเข้า เชิดเลยครับเชิญทหารดีเฝ้าเมืองนี่ก็ยอมมอบอาวุธหมดยอมแพ้กลัวอัลลอจะให้เพราะเขาทำเขาทำหน้าที่เท่าที่เขาทำได้ในชีวิตของเราก็เหมือนกันทุกอุปสรรคทุกปัญหาจะสอบวิกฤตจะผ่านปัญหาครอบครัวปัญหากับเพื่อนปัญหากับคนในสังคมปัญหากับ ผู้ใหญ่ผู้น้อยปัญหากับใครก็ตามเราก็วางเฉยไม่ทำอะไรเลยนะอย่าคิดว่าปัญหามันจะขี้คายเองนะปัญหาทำอะไรนี่นอนนี่นอนนอ น, นอนนี่คือวิธีแก้ไขที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะธรรมชาติที่สุดแลคนที่เขาจะแก้ไขวิธีแบบไม่ธรรมชาตินะั้นก็คือลืมลืมยังไงอะ่ะอ้าว อย่าไอบ้างกัญชาบ้างกัญชานี่ส่วนมากคนที่คนที่เครียดนี่เขาจะเขาจะดูกัญชาทาไมฮอร์รร๊กๆๆๆทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองว่ามันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะฮอร์รร๊ออย่างเดียวเหล้ากินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ไม่มีปัญหาลืมเขาจะลืมทุกปัญหาเลยเหล้านี่จะให้โฟกัสใน ในเรื่องที่อยู่รอบตัวนี้เหล้าแล้วสุดท้ายอาเทียนนี่ที่วิธีที่มันไม่ได้ไม่ใช่ธรรมชาตินะแล้วธรรมชาติที่สุดเนี่ยแล้วถามว่าคนที่ดูดกัญชาและพอคืนสติแล้วเนี่ยปัญหามันจะหายไปเหรอแต่คนที่กินเหล้านี่พอหายเมาแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วอ่ะมีเหรอเราให้นอนอนะ่ะพอตื่นแล้วเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ได้ต้องทาําอะไรสักอย่าง เอานี่ไม่ไม่เชื่อในเรื่องตว ก, กลตอลา AH นี่มอบหมายตอลาเชื่อหรือแต่ไ ม, ม่มีนะตว ก, กลในที่ศาสนาสอนนะว่าตว ก, กลมอบหมายตอลา AH นี่หมายถึงว่าวางทุกอย่างแล้วไม่ต้องทำอะไรเล ย, เลยแล้วกัเรือ่องมันก็มันก็ไปเองมันก็แค่นั้นเองอต้องลงทุนต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องทิ้นรน่นบ้าง a ล l a h จะช่วย ยุบายะกุลบิมและูบุลลอฮอลม่รชล้วจะเปนส่งให้หมดไปซึ่งความกรธแห่งหัวใจว่ะกุลูบิมเพราะรู้สึกว่าได้ทำอะไรในการปกป้องศาสนาในการขัดขวางไม่ให้ศัตรูอิสลามเนี่ยข่มเหงเย็ดยามเย็ดยามมุสลิม ซึ่งประชาชาติอิสลามตอนนี้เนี่ยเราขาดประชาอิสลามนี่ขาดกำลังความสามารถในการปกป้องสิทธิของมุสลิมคิลาวาสุดท้ายเนี่ยที่ถูกยุบไปเนี่ยลาวาของอาณาจักรออตโตมันในปี1924อีกสองปีนปี่จะครบร้อยปีตอนถูกยุบไปแล้วอะนะ มีนักแต่งกลอนนักกวีคนหนึ่งชื่ออาห์มาชกีปีนั้นน่ะพอแกรู้ว่าคิลาฟ้าถูกยุคเลิกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดูค่อยดูดูค่อยดูดยดการเหยียดหยามศาสนาการอุปโลกเรื่องมดเท็ดและอ้างว่าเป็นศาสนาการบิดเบือนศาสนามันจะเกิดขึ้นแบบไม่มีอะไรยับยั้งมันได้อีกแล้ว ไม่มไีไม่มีอำนาจอุลามาส่วนมากในยุคนี้เนี่ยจึงบอกว่าฝระดูที่ยิ่นใหญ่ของประชาชาติตอนนี้เนี่ยการฟื้นฟูอำนาจอิสลามให้มุสลิมในได้มีอำนาจศูนย์รวมอำนาจศูนย์กลางที่สามารถปกป้องประชาชาิอิสลามทั้งหมดนี่ก็คือคีราฟนี่คือความบกปร่อง ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเราจะแก้ตรงไหนเนี่ยแก่ที่ปลายเหตุแก้ที่ปลายเหตุหตถ้าสมมุตินะสมมตินักท่องเที่ยวฝรั่งมาเมืองไทยสมมุติสำรับคนอเมริกาหรือคนชาวอังกฤษชาวฝรั่งเศสเข้ามาและเจอเจ้าหน้าที่หนี่เงาสักคนเจ้าหน้าที่งนี่เงาเนี่ยก็ หาเรื่องหาเรื่องกับนักท่องเที่ยวเนี่ยจับเข้าคุกเลยไม่ได้ผ่านการสอบสวนไม่ได้มีข้อหาไม่ได้มีใช้อำนาจทำได้ไหมอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งถูดถูดของเขาก็ต้องก็ต้องติดต่อแล้วถ้าไม่มีความคืบหน้านี่อีกวันหนึ่ง รัฐบาลของเขาเนี่ยต้องต้องเขียนแล้วมีผิดอะไรผิดอะไรผิดกฎหมายตรงไหนก็ดำเนินคดีไปสิแต่ทําแบบนี้นี่เนี่ยอำนาจอำนาจของคนที่ดูแลประชาชนของเขาเมื่อก่อนนู่นนะท่านชมีใครเคยไปตลาดไหมไปซื้อเนื้อซื้อเนื้อซื้อไก่เนี่ยคนที่เขาขายเนื้อขายไก่เนี่ย มีของแถมให้ของแถมนี่คืออะไรเลือดแถมเลือดก็ต้องซื้อนะต้องซื้อทีอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปขอแถมขอเลือดอย่างไงเขาไม่ให้ต้องซื้อก่อนซื้อแล้วก็จะมีเลือดแถมให้แต่บางทีเนี่ยไปที่ไหนนี่เลือดเดี๋นี้เขาขายกันแล้วนะขายเลือดนี่มีราคาเลือดหมูเลือดวัวเลยแล้วที่น่าเสียใจมากว่ามีมุสลิมบางคนที่ขายเนื้อนี่ก็มี ขายเลือดแถมเลือดด้วยพอไปถามก็ทำได้ไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้ให้บังหรอให้ให้ใหนู่นคนที่มาอยู่มุสลิมแถมเลือดเองเขาก็ามาซื้อเนื้อเราแล้ก็แถมเลือดเองเขาปากไม่ได้เลือดนี่มันห้อนขายไม่ได้ ด, ดีแย่ ก, ก็ไม่ได้เก็บก็ไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวเหมือนสัตว์ตายสัตว์ตายเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหน้าบ้าน แล้วเป็ดไก่นี่ตายมุสลิมไม่กินอาไปให้ได้ไหมไม่ได้ต้องฝังอย่างเดียวของที่เรากินไม่ได้เนี่ยเอาไปให้คนอื่นกินไม่ได้นะเรากินไม่ได้นห้คนกินก็ไม่ได้เนี่ยเลือดมุสลิ ม, มนะถูกกว่าเลือดสัตว์ทําไมเนี่ยเลือดมุสลิมเนี่ยหลั่งไหลทุกที่เลยไม่มีราคาเลย ไม่ต้องแถมไม่ต้องอะไรเลยมีมีให้ไหลตลอดมีเลือกตั้งอยากจะชนะไหมถล่มมุสลิมฆ่ามุสลิมเลยนี่นี่ีราคาเลยเพราะอะไรอะ่ะเราจะอ่างอะไรหลายบอมุสลิมไม่มีอาวุธบอมุสลิมขาขัดแย้งกันนี่ทั้งหมดนี่ป้าเหตุนะแต่เรื่องหลักเนี่ยเราไม่มีผู้นำสูงสุดของประชาชาติ เรา ม, มีอำนาจสูงสุดของอุมม่าไม่มีถึงแม้ว่า น, นี่ยสองประเทศนี้จะทะเลาะ ก, กันนะใครจะมาปราบล่ะ ม, มีใครใหญ่กว่าใครแล้ว ม, มีผู้นำคนในพื้นที่ในเวลามีสองคนทะเลาะ ก, กันเขาจะใหญ่แค่ไหนเะนี่ยเขจะเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่ า, า, ม, ามาปราบทีนีม้มีปริษัทสลามเนี่ยมีผู้ใหญ่เราไม่มีผู้นำสูงสุดไม่มีคอรลิฟว์อไม่มีคลีฟว์อ จังมีสิ่งที่ขาดแคลนมากที่สุดสาหรับอุ ม, ม่าเนี่ยการที่เราไม่ได้มีรกระบวนการที่จะฟื้นฟูคิลาฟะแล้วเวลามีใครพูดถึงเรื่องคิลลาฟะกระบวนการฟื้นฟูคิลลาฟะนี่ก็โดนข้อหาขหาเป็นอีขวาน <laughs> จนเป็นข้อหาที่ใช้กันอย่างสนุกสนาน เพื่อบรรทอนทำลายทุกคนที่ต้องการให้อุมมาประชาอิสลามเนี่ยได้แข็งแกร่งขึ้นใช่เพราะถ้าหากว่าข้อหาของคนที่ต้องการฟื้นฟูคีลาว่านี่ขอ้อคืออีควานนี่ก็หมายถึงว่าปรเด็นนี้เป็นคำด่าแลยไงบ้านเราเนี่ยเขาเคยพยายามมาเลยใช้คำอีควานเป็คำด่าเฮ้ย hey, เป็นอีควานใช่เปล่าเป็คำด่าอีควานใช่เปล่าเออกูเป็นอีควานทำไ ม, น, น, ไมนี่ไงทราพยากร์นี่ไง เออมันคำด่าไงถ้าโดนข้อหานี่เราเปล่าเไม่ใช่มันคำด่าไงไม่เป็นีิคว า, ดาได้ไหมอ่ะเอา้ามันต้องการฟื้นฟูมันก็กลายเป็นข้อข้อหาได้นะฟื้นฟูคีลาบ้านี่เป็นแค่เอ้าฟื้นฟูคีลาบานี่กลายเป็นเป็นวาจิบสําหรับประชาชนทั้งหมดที่ตงการเพระดุกีไฟยะไม่มีขีลาฟหรอกันเดาอลเลมาเลยไม่มีขีลาฟในเรื่องนี้เลยการปกครองนี่ ถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญเนี่ยทำไมเขาแย่งกันทําไมทะเลาะกันทําไมถ้าการเมืองการปกครองใน ม, มีความสําคัญเนี่ยทำไมข่าวแรกทุกช่องนะก็ต้ อ, ง ก, อ, ง, นะอตงการเมืองไม่สําคัญนะทําไมทำไมคนคุสนใจะเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองแต่พออิสลามมันมาขอเรื่องการเมืองบ้างเฮ้ยอย่าให้อิสลามสกปกอย่าให้อิสลามนิสัยอย่าให้ไปยุ่งกับเรื่องสกปก ก็ที่มาด้ให้อิสลามม า, มาปกครองมาเล่นการเมืองเนี่ยมันก็เลยเละ เ, ล เ, ลเลฟะไปเลยไงและไม่มีวันจะสะอาดไงไม่มีวันจะสะอาดเนี่ยเราเอาขี้มาล้างขี้ไงแล้วมาไร้วันจะสะอาดก็จะเราเอาน้ำ เ, เอาเอานา้ําเอาผ้านี่มามาเช็ดมาล้างขี้นั่นแหละไอ้นี่ไงดูน้ํามันก็สปกปรกดูผ้ามันก็สปกปรกใช่แต่มันต้องสปกปรกจะได้สะอาดที่มันจะได้สะอาดไงแล้วก็อิสลามยังมุ่ง การเมืองสกปกก็อาสกปกมามามาเล่นกับสกปกใช่ไหมแล้วเมื่อไรมันจะสะอาดการเมืองเมื่อไรมันจะสะอาดแล้วกับนักวิชาการรู้สึกใครใครพูดเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองอ่ะนะโดนข้อหานี้เลยทุกที่เลยทุกประเทศเลยตอนนี้ในโลกมุสลิมมันแทบทุกโลกอม่แต่ไม่ยกเว้นแม้กระทั่งซาอุดีใครพูดเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองอ่ะนะข้อหากึ่งสำเร็จรูป โยนให้เลยอีขวานแล้วก็มันเป็นข้อหาเพียงพอแล้วไงที่จะลากข้อหาอื่นมาด้วยก่อการร้ายบรบ ร, บ ร, บ ร, บ ร, บรมามาเป็นชุดๆเลยอีควาสุรดเดเวบ้านี่ทุกอายะทุกส่วนทุกขั้นตอนเนี่ยต้องการให้เราได้เข้าใจในใ น, ในเรื่อง กทนปุตตังสสนะอุสมานอัคอินนัลลฮละุบสุลตานีมาลาละุอลกลนอัลลอฮจะช่วยเหลือด้วยอำนาจช่วยเหลือในการปราบปราบคนชั่วเนี่ยด้วยอำนาจโดยที่ไม่สามารถช่วยด้วยคุรานคนหลอนที่จับปืนแล้วก็ไปกราดยิงคนอื่นอย่างเงี้ย เวลาอัลสีอินะอินชานะลาวคุสรละอ่านกุรานี่ก็ฟังดิไม่มีต้องมีอำนาจอำนาจของรัฐอำนาจอย่างเดีอำนาจอำนาจและก็คนกายอํานาดมีอาวุธเนี่ยพอมันมาแล้วเนี่ยมาทหารตำรวจมาแล้วเนี่ยยอมเลยอ่ะเกณฑ์ตู้ครูสักร้อยคนพันคนให้อ่านกุรานอ่านหาดีษซนเนี่ยมันจะเลิกเหรอต้องมีอานาจ อูฐานี่จะใช้ได้กับคนที่มีปัญญาหาใช่มนุษย์ทุกคนในสังคมนี่มีปัญญาไหมเฮ้ยเธอเธอทุกคนเนี่ยมีตะ ก, กัามีวาร่าเนี่พี่น้องอาวุธนี่ไม่ต้องใช้ปืนนี่ไม่ต้องมีในโลกนี้เนี่ยกระเตือนเตือนนิดเดียวมีปัญญามีอีมานมีตะกวอะไรเงี้ยเตือนนิดเดียวเนี่ยเขาก็สยบแล้วแต่จะมีกี่คนในแบบนี้ในสังค ม, มอ่ะโอแต่ถ้ามีแบบนี้เนี่ยถ้ามนนันมะีในยุคของท่านอบดเเคยมีไง นบีสามารถอบรมสหาย์จนอบูบั克รได้นบีเสียชีวิตได้รับอำนาจเป็นขลิฟ่านี่นะอับูบัครอยู่สองปีเป็นขลิฟะพออับูบัครได้ได้ครองเป็นขลิฟะเนี่ยแต่งตั้งอับูัคร์ในข้าวต้มเนี่เป็นตุลาการสูงสุดตุลาการสูงสุดตุลาการก็มีผู้วกจารณมีคนช่วยไงปีที่สองนี่อับูบัคม์มาลาลาออก จากตำแหน่งทำไมไม่มีงานไม่มีงานไม่มีคนทะเลไม่มีคนฟ้องไม่มีคนอะไรเลยผมนั่งอยู่ตรไม่มีงานอ่ะในแปลว่าอะไรแปลว่าสังคมนี่หมรดระทึ ก, กวัวเต็มไปหมดหอเซฟ้าเนี่ยจึงจึงบอกฮานิสบันทึกโดยบุคฮารีเขาก็ข้าพเจ้านี่ไม่กลัวหรอกถ้าถูกละเมิดสิ ถ้าฉันอยู่ในสั ง, งคมมุนะสลิมานะสังคมที่มีอม م า ن เนี่ ย, อ, ยอีมานของเขาเนี่ยจะห้ามไม่ให้เขานี่โกงฉันและถ้าเขาโกงเนี่ย إ ของเขาเนี่ยจะให้เขาเนี่ยเอาคืนของมาให้ฉันของโกงที่มาโกงฉันแต่ถ้าฉันอยู่ในสังคมที่มีมุสมินแล้วก็มีคนที่ทรยศนี่นะผู้นำเนี่ยจะบังคับนี่ผู้นำเนี่ยจะบังคับให้คนที่ทรยศเนี่ยคืนสิทธิข์ของฉันคืนสิทธิ์ให้ฉัน นี่ต่อก่อนนู้นเขาหวังในอิมานและอำนาจไงแต่เดี๋ยวนี้ล่ะทั้งอิมานและอำนาจไม่มีแล้วจะหวังอะไรล่ะนี่ที่เราเห็น <c oughs> สิ่งที่ง่ายที่สุดไม่เสียหายอะไรเลยจะดาทออิสลามจะดูมิ่นมุสลิมจะว่าอะไรมุสลิมเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรเลยไม่มีใครห้ามอะไรได้แต่ลองลองพูดดิ ยูเนี่ยไม่ได้ถูกสังหารนาซีไม่ได้ถูกสังหา ร, า ไ, ม ไ, หารไม่ได้เผาเลยเราไปพูดที่ฝรัง่งเศสติดคุกเลยแค่นนะยังไม่ได้อะไรเลยนะยังไม่ได้บอกว่ายูเนี่เป็นอย่างงุน้นเป็นอย่างนี้นี่ยนะแค่บอกว่าโอ๊ยประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่ายูวนี่ถูกเผานาซีฮิตเลอร์ไปเผามันไม่จริงติดคุกนะไม่ะทําไมเขาเขามีเขา ม, มีอํานาจขนาดน่ะอํานาจเงิน เขาทำเขาดิ้นรนกันในเรื่องนี้เนี่ยจนสามารถบังคับคนอื่นยิวเนี่ยทั่วโลกส5ห้าล้านมุสลิมทั่วโลกนี่พั0ห้ารล้านหรืออาจจะถึงสองพันแล้วเนี่ยยีิสพฤิกายนนี้ยีิีพฤศจิกายนนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยจะมีแป0พล้านอันนี้ตามที่เขาคานวณนั่นะโลกใบนี้จะมี 8 0 0พล้านมุสลิมเนี่ยน่าจะเลย2 0 0พันล้านไปแล้วยวเนี่ย15ล้านไม่เกิน20ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะ่งนก็ยังไม่ถึงเลย 1% ยังไม่ถึงแต่ยูบริหารโลกทั้งหมดเรื่องการเงินเรื่องการเมืองเรื่องทหารอาวุธเทคโนโลยีอีเพราะอะไร เขามีอำนาจอำนาจทุกอย่างอำนาจกันมีปะประเทศเดียวในโลกนี้เนี่ยที่ตั้งชื่อประเทศของเขานในชื่อนบีของเขาอิสราเอลประเทศอิสราเอลตั้งชื่อประเทศในชื่อนบีมีทั้งมุสลิมใครคิดจะตั้งประเทศชื่อประเทศขเขาในชื่อมุฮัมมัดบ้างเหรอโอ้โอโยขั้งศาสนาก่อการร้ายมีคลิปคริสตคนหนึ่งคริส ที่อเมริกาลูกเข้าไปอนุบาลแล้วก็ในในรัฐนั่นน่ะในรัฐนั้นมีมุสลิมเยอะในในรัฐและทุกรัฐเนี่ยเขาก็ในบายเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาเขาอิสระเนี่ยรัฐใครรัฐมันเขาเห็นมุสลิมเยอะนะ่ะเขาก็เลยให้คนที่เขียนหลักสูตรของอนุบาลเนี่ยเรื่องเล่าที่เด็กนี่นะให้มีชื่อ คริสมีชื่อยู you, มีชื่อมุสลิมเนี่ยสแสดงถึงความหลากหลายาเช่นอยู่อยู่ที่บ้านอาคนนี้ชื่ออาหมัดนี่มาเขาอประตูามากมา ก, มาก์ยังไงเออมีหลากหลายเพราะก็ดว่วผู้นหญิงคนนึงนะเขาเขาเขาาพูดผูกเขาไลฟ์นะแล้วบอกว่าฉันจะไม่ยอมลูกฉันจเรียนแล้วก็เรื่อ ง, องมีชื่อ อ, อาหมัดได้ไงนี่แค่มีชื่ออาหมัดนะ อามนนัีเป็นชื่อนมีของเขาแล้วเราอยู่ที่อเมริกาเรื่องอะจะเอาชื่อของของนี่แค่เอาชื่อนมะมนอมูฮัมหมัดยังไม่ได้มาเลยนะแลชื่ออมันี่อนว่าเด็กเนี่ยเขาเขาแค่ชื่อเด็กนชื่ออมัเนี่ยเาก็จาลองเรื่องแล้วก็ตั้งชื่ออมันน่ชื่อได้ไงอามับางอาจพูดได้ไงก็ใช่ ด, ชดิถ้ามีผู้หญิงแก่ผ้าใน เล่นน้ำตามหาดเนี่ยใครจะว่าอะไรเขาไหมแต่ผู้หญิงมุสลิมา น, นี่ใส่บูร์กีนีรู้จักบูร์กีนีไหมบิกกนีนี่ก็คือสองชิน้นบูร์กีนีนี่คือคือปิดหมดมันรัดรัดมันก็บาปอยู่ดีนะ ม, นมันไม่ถูกต้องนะเขาก็ชุดว่ายน้ำอิสลาม อ้าสมมติสมมตินะมันก็แค่บูริกีนี่เนี่ยก็คือใส่ชุดว่ายน้ําที่มันปิดหมดเลยนะแต่มันรัด ก, กุมมากนะมันแทบแทบไม่ได้ปิดอะไรเลยแต่มันเออมันก็ปิดนะนะปรากฏว่าไม่ได้ใส่ชุดบิกินี่ทั่วประเทศเนี่ยประเทศเขาอ่นะไม่มีประเทศมุสลิมบางประเทศเนี่ยไอย่างนี้ประเทศมุสลิมเลยนะสระน้ําเนี่ยสระว่ายน้ํานี่ ใส่บิกินี่ไม่มีใครห้ามแต่ผู้หญิงใครคิดเออเขา อ, อายหน่อก็จะใส่บิกินี่เนี่ยถูกห้ามทำไมวัฒนธรรมความรู้สึกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทุกเรื่องนะเรื่องเชื่อเรื่องสวมเสือ้อผ้าเรื่องอะไรเขาเป็นคนออกแบบเขาเป็นคนบังคับบัญชาผู้คนทั้งหลายอำนาจอำนาจแต่ตอนนี้ซาอุดีนี่มีอำนาจของอุลามาของผู้รู้นี่ ใครจะกล้าล่ะใครจะกล้าล่ะแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้ะไม่มีอํานาจใครจะห้ามล่ะใครจะห้ามแล้วก่อนนูน้นใครใครใส่ใครใส่หน้ากากห <c oughs> น้ากากผีอะไรพวกเนี้ยโดนจับเลยนะโดนจับเลยใส่ทําไมมาอะไร นี่ฉลองฮาโลวีนยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิมไม่อยากจะบอกว่าในโลกนะพอเข้าสารบ้านเราเนี่ยอายที่เขาฉลองอายเออที่ซาอุดีเขาฉลองอลยเนี่ยฉากบางอันนี่ที่เขาที่เขาทำเนี่ยนะโอ้เป็นหมื่น่ะ คนไทยไม่มีตังค์ไปซื้อฉากนี่เลยเขาแต่งหน้าเลยเพราแต่งหน้าบ้านเรานี่มันง่ายง่ายแต่งหน้าเป็นผีเนี่ยมันถูกมันง่ายแต่ที่ซาอุดีเนี่ยเขาไม่เขาไม่เขาซื้อชุดเลยเขาไม่มีเช่านะที่นั่นเขาไม่มีเช่านะเขาสั่งซื้อชุดเลยอะไร เ, เธอจะมาเช่าอะไรยี่คนอื่นก็ใส่มาก่อนนะสั่งชุดของฉันเลยยิ่งใหญ่ที่สุด ในโลกมุสลิมไม่มีนะอีกเรื่โลกมุสลิมไม่มีเลยนะผมส่งรูปให้มอร็อกโกพี่น้องพี่น้องรู้จักคนมอร็อกโกอ่ะมอร็อกโกนี่ขึ้นชายาว่าเป็นประเทศที่ศาสนานอ่อนแอมากที่สุดในโลกอาหรับพอเขาเห็นรูปเนะี่ยเขาบอกว่าคนมอร็อกโกเรานี่ยยังไม่ทำกันเลยคือเขาในที่แย่ที่สุดแล้วอะนะในโลกอาหรับนะ่เขายังไม่ทากันเลย นี่เพราะอะไรอำนาจอำนาจจริงเดียพอถต่ว่าซาอุดีนี่มีอุลมามะไม่เพียบเลยโอก็อุลมามะที่ซาอุดีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเดินเดินชนแบบโตบยับเลยเพอเยอะไงเยอะมากจริงไอ้ชนคนหนึ่งเชคคน น, คนนู่นอุลามะคนนี้ยิ่งจะเข้ามาสัสยิดฮารอมมัสยิดมาดีอันดับวีนะอุอลมามะเยอะมากแต่อุลมามะทําอะไรได้ปาก ปิดปากพูดอะไรไม่ได้เลยอิหม่ามาสิธรมคนหนึ่งทนไม่ไหวขึ้นคุดบ้าบอกว่าไอ้คนที่ดูถูกศาสนาคนที่คนที่เหยียดหยามหลกักการศาสนาพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะจั ด, จดแค่นี้นะอัสรีนี่ไม่ได้ละหมาที่บ้านคนละห